ทั่วไปมาตั้งแต่ต้นรัชกาลที่ห้าเมื่อสมเด็จพระมหาสมณมจ้ากลมพระยาวชิรยานวโรรสตรงรจนาวินัยมุกก็ได้ตรงใช้หนังสือบุพัฒติขาวรร น, นานานี้เป็นหลักในการรจนาดังที่ตรงอธิบายไว้ว่าเป็นเสมือนเก็บข้อความในบุพัฒติกขาวรนนานานั้นมาเรียบเรียงใหม่ให้เข้ารูปฉะนั้นผู้ที่ประสงค์จะศึกษาเรื่องพระวินยัย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 ในเบื้องต้นของบุพะสิกขาวันนาท่านผู้รัชนาได้กล่าวปารบถึงบุพะสิกขาที่ท่านได้แต่งไว้แล้วโดยย่อเพื่อให้กุลบุตรผู้เป็นคนใหม่ในพระศาสนาศึกษาตามในการเป็นเบื้องต้นจึงจะทาการวันนาบุพะสิกขานั้นโดยพิจารสักหน่อยเพื่อผู้ใคร้จะรู้จะศึกษาตามคาปารบนี้แสดงว่า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 ใช้พิมพ์ด้วยอักษอรอารยกะตลอดและหนังสือบุพัสิกานี้ก็น่าคิดว่าจะพิมพ์ในสมัยที่ใกล้เคียงกันนั้นเพราะอักษอรอารยกะใช้กันอยู่ในวงแคบและชั่วระยะการหนึ่งเท่านั้นต่อมาท่านผู้รจนาบุพัศสิกขาเจ็ดข้อจึงได้รจนาวันน า, นาแห่งบุพัสิกขาเจ็ดข้อนั้นโดยพิดารดังที่เรียกว่าบุพัสิกาวันนานี้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 ก็เป็นหนังสือย่อข้อที่ควรศึกษากรสำหรับคนใหม่เช่นเดียวกันแต่มีต่างกันเช่นนวโกวา่าย่อความในศิกขาบทมาในปาติโมคครบถ้วนเป็นต้นสรุปความว่าท่านพระอมาราธิรกิตะอมโรเกิดได้รจนาหนังสือบุพพติขาหรือตตะปัพพระบุพพติขาขึ้นสาหรับนวกะแล้วรจนาบุพพติขาวันห้น า, นา สาเร็จตั้งแต่ในรัชกาลที่สี่ต่อมาสมเด็จพระมหาสมนาจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสทรงรจนาหนังสือนวโกวาทและวิไนมุกซึ่งใช้หนังสือของท่านพระอมราพิรจิตะนั้นเป็นคู่มือและได้ใช้เป็นหลักสูตรแทงการศึกษานักธรรมในคณะสงฆ์ในปัจจุบันหนังสือบุพศิขาวรนาาปรากฏว่าเดิมเป็นหนังสือจารในคำทีไบลาน ต่อมาจึงได้มีการคัดลอกพิมพ์เป็นเล่มสมุดขึ้นและได้พิมพ์ต่อมาอีกหลายครั้งประวัติของผู้รจนาคือท่านพระอมราภิรคิตะอมโรเกอร์โดยสังเกตท่านพระอมราพิรคิตะอมโรเกอร์เป็นท้าเถระในคณะธรรมยุทธ์ซึ่งนับเข้าในหมู่พระสิทหลวงเดิม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 ซึ่งเป็นปีที่แปดในรัช ก, กาลที่ีพระสิทธิหลวงเดิมยังมีอยู่48องค์มีชื่อพระอมราพิรักิตะรวมอยู่ด้วยและทราบกันมาว่าท่านเป็นสัตธิวิหาริกแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือเป็นลูกศิษย์ของรัชกาลที่สี่สมัยที่ยังทรงผนวดอยู่ปรากฏ ว, ว่าท่านพระอมราพิรักิตะเป็นผู้คงแก่เรียนเป็นป ร, ริยญาเก้าประโยค มีความรู้แตกฉานในพระไตรปริฎกได้เป็นสมณทูตไปประเทศลังกาสองครั้งในรจนาหนังสือบุพพสิกขาสำหรับนวะกะักพิษุโดยย่อจะกล่าวว่าเป็นนวโกว่าเล่มแรกก็น่าจะด้านและหนังสือบุพพสิกขาวันนานากับหนังสืออื่นอีกงานรจนานของท่านโดยเฉพาะบุพพสิกขาวันน า, น า, นานทำให้ท่านเป็นอมระผู้ไม่ตาย สมนามฉายาของท่านเรื่องการไปรังกามีกล่าวถึงในพระราชนาวดา์กรุงรัตนโกสินทร์รั 3, ชที่สามฉบับเจ้าพระยาที่พากรวงและเรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงในรังกาทวีปพั้นคนสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพน้งจะเก็บความมากล่าวต่อไปนี้ ครั้งที่หนึ่งพศอ2385อ พ, พระสมฆ์ไทยออกไปลังกาครั้งนี้มีห้ารูปคือหนึ่งพระพุทธยานสองพระอมระก็คือท่านพระอมรอมร า, ราธิรสิตะเกิดสามพระสุภูติชื่อสังภายหลังเป็นพระสมุทะบุณีเป็นน้องสมเด็จพระสังฆราชปุตตะเทวะสาร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 และมีสมณะลิขิตไปถึงสังคนายกหลังกาตามพระราชาประสงค์เพื่อบาสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงเลือกพระพิตุทั้งห้ารูปนั้นเป็นสมณะทูตไทยทรงออกไปพร้อมกับพระสงฆหลังกาในพระบรมราชูประทัมพระสงฆ์ไทยคณะนี้กลับถึงกรุงเทพในปีต่อมาคือพศาา .2386 ยืมหนังสือพระไตรปิฎกเข้ามาได้40ครั ครั้งที่ 2, สองพศ2387พระสงฆ์ไทยออกไปลังกาหกรูปคือหนึ่งพระอมระกสองพระสุภูติสาพระสังฆารากิตะสี่พระปิรินทวัชชะห้าพระยัญยัตตะหพระอาสาุพะเจ็ดสามเณรแก่นเป็นป ร, รียนบวชอยู่วัดบรมนิวาภายหลังลาติขาออกรับราชการ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 พระสงสมณทูตผู้ไปผู้ไปครั้งก่อนยืมมาจากลางกากลับไปดงกลับมาถึงกรุงเทพในปีเดียวกันนั้นยืมหนังสือมาได้อีกสามสิบคำทีในการไปครั้งที่สองนี้ได้มีนหนังสือของอุบาศกที่เมืองสิงขันธ์สิริวัฒนบุรีฝากมากราบทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีข้อความตอนหนึ่งยกย่องพระอมระว่า ด้วยข้าพเจ้าได้พบพระสงฆ์ไทยผู้มีชื่อว่าอมระซึ่งพูดภาษาอังกฤษได้ที่ไปกับพระสุภูติผู้เป็นใหญ่นั้นหนึ่งข้าพเจ้ามีความขอบใจด้วยพระอมระนั้นผู้ได้เหมือนอังกฤษทีเดียวถ้าแม้พระอมระนั้นมิได้ไปกับพระสุภูติผู้เป็นใหญ่นั้นแล้วข้าพเจ้าเห็นว่าการ ง, งานทั้งปวง ก, ก็จะขัดขวางอยู่โดยมากแล้วข้าพเจ้า ดูอาการของพระอมรักษ์องค์นี้พูดจากล้าหาญดีเปลี่ยนเหมือนทหารที่แกล้ากล้านี่ก็เป็นคําชมของอุบาสกคนหนึ่งในเมืองสิงขันทัิริงารจนาของพระอมราธิราชิตะอมโรเกิดได้รัชนานะักสือไว้หลายเรื่องเท่าที่ได้พบขณะเรียงประวัตินี้คือสัตตะปะพระบุพภสิกขาหรือเรียกสั้นว่าบุพภสิกขา ไม่มีบอกพอตอที่เรียบเรียงฉะบับพิมพ์ที่เท่าไหร่ก็ไม่ได้บอกพอตอที่พิมพ์แต่เป็นการแน่นอนว่ารันากรห น, นังสือบุพการิกขาวรรณน า, นาบุพกาคศิกขาวรรณน า, นามีบอกที่ท้ายเรื่องว่าเสร็จทั้งหมดปีวพอต่อสองพันสี่ร้อยสามกระดอนทำอธิบายป็ิศนาพาสิตเก่าสิบแปดคู่ เป็นกรอนปริาาศนาพาสิทธเหล่านั้นเช่นคู่ที่หนึ่งว่าจัน์ย่อนกว่าดาวไม้เท้ายาวกว่าทอคู่ที่สองว่าลูกดอกนอกช่อไม้นอกกอลำใหญ่เป็นต้นหนังสือประดลธรรมแต่งแก้ปริาาศนาพาสิทเหล่านี้นเป็นคำกรอนสอนเตือนใจทั้งคดีบก ท, ทั้งคดีธรมท่านพระอมราภิรักิตะอมโรเกิด เป็นเจ้าอาวาสวัดบ ร, รมนิวาสองค์ที่สองต่อจากพระยานรัติตะธรรมสิริสุขมีกล่าวถึงในตำนานวัดบรวรนิเวศวิหารพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชัชรย า, ยานวโรรสกรมพระยาวชัชรายานวโรรสว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงผนวดอยู่ ได้ทรงส่งพระสิทธิหลวงเดิมไปตั้งสำนักเป็นสาขาขึ้นที่วัดอื่นๆอีกที่วัดบรมนิวาสเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัดนอกพระญานรคิตาธรรมสิริสุขเป็นเจ้าสำนักนับเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่หนึ่งต่อมาพระญานรคิตาได้ลาสิกขาได้เป็นที่พระธรรมการบดีท่านพระอมราภิรคิตาอมโรเกิด ได้เป็นเจ้าอาวาสสืบต่อาตามประวัติวัดบ ร, รมนิวาสเจ้าวาดองค์ต่อจากท่านคือพระพรหมวุนีสุมิโตโตเหมือนซึ่งเป็นพระอุปชาสามเณรสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหล ว, ว, วงวชิรญาญวงศ์วัดบวรนิเวศวิหารท่านพระอมราทิดาสกิตะอมรโรเกิดมิใช่เป็นผู้แตกฉาในปริยัศาสนาเท่านั้น เป็นผู้เคร่งครัดในพระวินัยและดำเนินในปฏิบัติศาสนาด้วยได้มีผู้พบข้อความในสมุดบันทึกของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ญานะวระเถระวะัศสิรินทราวามีเขียนบันทึกคาถาบทหนึ่งของท่านพระอมาราธิรักิตะอมโรเอเพอเขียนไว้บนประตูถ้ำที่เรนวัดบรมนิวาสวา่า เยนิเยนิงจะสัมปตตาอัปามาเดนะโหตะบังอิริยาระพตุโปโตอายุสัตตานะมัปปะกังก็ความก็จบแค่นี้อันนี้ก็เป็นประวัติโดยย่อของพระอมราธิรักิจะอมโรเกิดซึ่งก็ได้มีส่วนเกื้อกูลต่อพระศาสนาในการรุจนาพระวินัยแล้วก็คุณของพระพัทธนาฏย รวบรวมพระคุณโดยย่อแล้วก็พระวินัยโดยย่อเพื่อจะได้ศึกษาก่อนก็ขอให้เราท่านทั้งหลายน้อมบูชาแด่พระสงฆ์ซึ่งก็เป็นตัวแทนของพระอริยะทั้งหลายอันเป็นส่วนหนึ่งของพระรตนตรยัยต่อความเจริญรุ่งเรืองในพุทธศาสนาจงเป็นไปแก่ท่านทั้งหลายเพื่อบรรลุโลกุณระธรรมในที่สุดโดยเทินสาธุสาธุสาธุ